รัตปาละกุลบุตรออกบวชสมัยนั้นกุลบุตรชื่อรัตปาละเป็นบุตรของตระกูนชั้นสูงในทุนละโกติตะนิคมนั้นนั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วยขณะนั้นเองรัตปาละกุลบุตรได้คิดว่าทมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นเราเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัด มิใช่กระทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกลผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเถิดครั้งนั้นพวกพราหมณ์และขหาบดีชาวทุนลโธติตะนิคมผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถารแกล้วกล้ า, ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำมีคถาแล้ว จางชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วจากไปลําดับนั้นเมื่อพราหมณ์และขา้าดีชาวทุนลโกติตะนิคมจากไปไม่นานรัฐบาลและกุลบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นข้าพระองค์เข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายข้าพระองค์ปรารถนาจะโกนผมและหนวดนุ่งหมผ้ากาสวพัสตร์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่ารัฐถปาละมารดาบิดาอนุญาตให้เธอออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตแล้วหรือรัฐถปาละกุลบุตรกราบทูลว่ายังมิได้อนุญาตพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ารัฐถปาละพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่บวชให้กุลระบุที่มารดาบิดายังมิได้อนุญาตรัฐถปาละกุลบุตรกราบทูลว่า ข้าพระองค์จกหาวิธีให้มารดาบิดาอนุญาตให้ข้าพระองค์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นรัตปาลกุลบุตรลูกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ทําตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นลูกเข้าใจว่า การที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพระมรดจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายลูกปรารถนาจะโคนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตขอคุณพ่อคุณแม่โปรดอนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเถิดเมื่อรัฐปาลักุลบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วมารดาบิดาของรัฐปาลักุลบุตรได้กล่าวว่า พ่อรัฐปาละเจ้าเป็นลูกชายคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีลูกไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อยมาเถิดพ่อรัฐปาละลูกจงบริโภคจงเดิมจงให้เขาปรนิบัติลูกเมื่อกำลังบริโภคกาลังเดิมกำลังให้เขาปรนิบัติอยู่ จงยินดีบริโภคการไปพลางทำบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุ ญ, ญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูกเหตุไฉนพ่อแม่จักอนุญาตให้ลูกซึ่งยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สรัฐตาลกุลบุตรได้กล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ ทำตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นลูกเข้าใจว่าการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายลูกปรารถนาจะโคลนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตขอคุณพ่อคุณแม่โปรดอนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเถิดแม้ครั้งที่สาม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 กำลังให้เขาปรนญิบัติอยู่จงยินดีบริโภคการไปพลางทำบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูกเหตุฉไัยพ่อแม่จกอนุญาตให้ลูกซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่า มานดาบิดาไม่อนุญาตให้บวชครั้งนั้นรัฐตาลกุลบดคิดว่ามารดาบิดาไม่อนุญาตให้เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรบชิตแน่จึงนอนบนพื้นอันไม่มีเครื่องปูลาดณที่นั้นเองด้วยตั้งใจว่าเราจากตายหรือจักได้บวชก็ที่ตรงนี้แหละเขาจึงไม่บริโภคอาหารตั้งแต่หนึ่งมือม้อสองมือม้อสามมือ้อสี่มื้อห้ามื้อ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 ลูกจงบริโภคจงเดิมจงให้เขาปรณนิบัติอยู่เถิดลูกเมื่อกำลังบริโภคกำลังเดิมกำลังให้เขาปรนนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคการไปพลางทำบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูกเหตุไฉ น, นพ่อแม่จกอนุญาตให้ลูกซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่า จงลูกขึ้นเถิดพ่อรัฐบาละลูกจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนิบัติอยู่เถิดลูกเมื่อกําลังบริโภคกําลังดืม่มกําลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคการไปพรางทําบุญไปพรางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูกเหตุไฉนพ่อแม่จะอนุญาตให้ลูกซึ่งมีชีวิตอยู่ ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเล่า voltages. เมื่อมารดาบิดากล่าวอย่างนี้แล้วรัฐปาล ะ, ละกุลบุตรก็ได้นิ่งเฉยแม้ครั้งที่สองมารดาบิดาของรัฐปาละกุลบุตรก็ได้กล่าวว่าและถึงแม้ครั้งที่สองรัฐปาละกุลบุตรก็ได้นิ่งเฉยแม้ครั้งที่สมารดาบิดาของรัฐปาละกุลบุตรก็ได้กล่าวว่าพ่อรัฐปาละ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 ทำบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูกเหตุไนพ่อแม่จักอนุญาตให้ลูกซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าจงลุกขึ้นพ่อรัฐปาละลูกจงบริโภคจงเดิมละถึงถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูก เหตุไนพ่อแม่จักอนุญาตให้ลูกซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าแม้ครั้งที่สามรัฐปาละกุลบุตรก็ได้นิ่งเฉย mm hmm. เพื่อนช่วยอ้อนวอนขออนุญาตให้บวช ครั้งนั้นพวกเพื่อนของรัฐปาละกุลบุตรพากันเข้าไปหารัฐปาละกุลบุตรถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่ารัฐปาลละเพื่อนรักเพื่อนเป็นลูกชายคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีเพื่อนไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อยเลยลุกขึ้นเถิดรัฐปาลละเพื่อนรักเพื่อนจงบริโภคจงเด่ม จงให้เขาปรนงิบัติอยู่เถิดเมื่อกำลังบริโภคกำลังเดิมกำลังให้เขาปรนนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคการไปพลางทําบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้เพื่อนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงเพื่อนจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากเพื่อนเหตุไหนพ่อแม่จากยอมอนุญาตให้เพื่อนผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าลุกขึ้นเถิดรัฐบาละเพื่อนรัก เพื่อนจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนนิบัติอยู่เถิดเมื่อกําลังบริโภคกําลังเดิมกําลังให้เขาปรนนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคการไปพลางทําบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้เพื่อนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแน่ถึงเพื่อนจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากเพื่อนเหตุไฉนพ่อแม่จกอนุญาตให้เพื่อนซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่า ลุกขึ้นเถิดรัฐบาลและเพื่อนรักเพื่อนจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนนิบัติอยู่เถิดเมื่อกําลังบริโภคกําลังดื่มกําลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภค ก, การไปพลางทำบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้เพื่อนออกจากเรือนบวชเป็นบัรปะชิตถึงเพื่อนจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากเพื่อนเตุไนพ่อแม่จะอนุญาตให้เพื่อนซึ่งยังมีชีวิต ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเล่าเมื่อสหายเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วรัฐปาละกุลบุตรก็ได้นิ่งเฉยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพวกเพื่อนของรัฐปาละกุลบุตรได้กล่าวว่ารัฐปาละเพื่อนรักเพื่อนเป็นลูกชายคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพ่อแม่จเจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดี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 เหตุไงพ่อแม่เหล่านั้นจักอนุญาตให้เพื่อนซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรปะชิตเล่าลุกขึ้นเถิดรัฐบาลละเพื่อนรักเพื่อนจงบริโภคจงเด่มถึงเพื่อนจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากเพื่อนเหตุไนพ่อแม่เหล่านั้นจักอนุญาตให้เพื่อนซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรปะชิตเล่าแม้ครั้งที่สรัฐบาละกุลบุตรก็นิ่งเฉย ลำดับนั้นพวกเพื่อนของรัฐปาละกุลบุตรพากันเข้าไปหามารดาบิดาของรัฐปาละกุลบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่รัฐปาละกุลบุตรนี้นอนบนพื้นที่ไม่มีเครื่องปูลาดณนะที่นั้นเองด้วยตั้งใจว่าเราจากตายหรือจากได้บวชก็ที่ตรงนี้แหละถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมให้รัฐปาละกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เขาจากตายณที่ตรงนั้นแน่แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้รัฐปาละกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เห็นเขาแม่บวชแล้วหากรัฐปาละกุลบุตรจะไม่ยินดีในการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเขาจะมีทางไปที่ไหนอื่นเล่าก็จะกลับมาที่บ้านนี้นั่นเองขอคุณพ่อคุณแม่จงอนุญาตให้รัฐปาละกุลบุตร ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดมารดาบิดากล่าวว่าลูกทั้งหลายพ่อแม่อนุญาตให้รัฐปาละกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้แต่เขาบวชแล้วต้องมาเยี่ยมพ่อแม่บ้างต่อมาพวกเพื่อนพากันเข้าไปหารัฐปาละกุลบุตรถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าเชิญลุกขึ้นเถิดรัฐปาละเพื่อนรัก คุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้เพื่อนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่เพื่อนบวชแล้วต้องมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนบ้างรัฐปาและกุลบุตรบวชและบรรลุพระอรหันต์ครั้งนั้น รัฐปาละกุลบุตรลุกขึ้นบำรุงร่างกายให้เกลดอกำลังแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนัที่สมควรได้ ก, กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมานดาบิดาอนุ ญ, ญาตให้ข้าพระองค์ออกจากเรือนบวชเป็นบันปชิตแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงให้ข้าพระองค์บวชเถิดรัฐปาละกุลบุตร ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นเมื่อท่านรัฐปาลาอุปสมบทแล้วไม่นานพอได้เกึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในทุนลลโกติตะนิคมตามความยินดีเสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเสด็เที่ยวจาริกไปตามลำดับจนถึงกรุงสาวัตถีได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวัน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 รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจันทร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระรัตถปาละได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นท่านพระรัตถปาลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเดีกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะไปเยี่ยมมารดาบิดาถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคทรงมานาัสการกำหนดใจของท่านพระรัฐปาละด้วยพระหฤทัยแล้วทรงทราบชัดว่ารัฐปาละกุลบุตรไม่สามารถที่จะบอกลาสิกขากลับมาเป็นครหัสอีกลำดับนั้นพระองค์จึงตรัสว่ารัฐปาละ เธอจงกำหนดเวลาที่สมควรหน้าบัดนี้เถิดต่อจากนั้นท่านพระรัฐปาลละลูกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเก็บงามเสนาสนะถือบาทและจีวรจารึกเปทางทุนและโกถิตะนิคมที่ยะจารึกไปตามลำดับจนถึงทุนและโกติตตะนิคมแล้วได้ยินว่า ท่านพระรัฐปาละภาคยู่ณพระราชอุทยานชื่อมิคจีระของพระเจ้าโกรพยะในทุนละกฏิตานิคมนั้นครั้นเวลาเช้าท่านพระรัฐปาละครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างทุนละกฏิตานิคมขณะที่ยวบินทบาทในทุนละกฏิตานิคมตามลำดับตรอกได้เข้าไปจนถึงนิเวศ ข, ของบิดาของตน เวลานั้นบิดาของท่านพระรัฐปาละกำลังให้ช่างกระบอกแางผมอยู่ที่ซุ้มประตูกลางได้เห็นท่านพระรัฐปาละกำลังมาแต่ไกลแล้วได้กล่าวว่าผู้สมณะโลนเหล่านี้บวชลูกชายคนเดียวผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเราครั้งนั้นท่านพระรัฐปาละไม่ได้รับทานไม่ได้รับคำตอบที่บ้านบิดาของท่านเองที่แท้ได้แต่คาด่าเท่านั้น สมัยนั้นท่าดหญิงของญาติของท่านพระรัฐปาลกําลังจะทิ้งขนมกลุ่มมากค้างคืนท่านพระรัฐปาลได้กล่าวกับท่าดหญิงของญาตินั้นว่าน้องหญิงถ้าจะทิ้งสิ่งนั้นก็จงใส่บาตรของอาตมานี้เถิดขณะที่ท่าดหญิงของญาติของท่านกําลังเกลี่ยขนมกลุ่มมากค้างคืนนั้นลงในบาตรก็จําเข้ามือเท้าและน้ําเสียงของท่านพระรัฐปาลได้ พระรัฐบาลฉันขนมบูรครั้งนั้นท่านหญิงของญาติของท่านพระรัฐบาละได้เข้าไปหามารดาของท่านพระรัฐบาลถึงที่อยู่แล้วเดียกล่าวว่าคุณนายเจ้าขาโปรทราบเถิดว่าพระรัฐบาลบุบรของคุณนายกลับมาแล้วมารดาของท่านพระรัฐบาลละกล่าวว่าหนูเอย๋ยถ้าเธอพูดจริงฉันจะปลดปล่อยเธอให้เป็นไทย มารดาของท่านพระรัฐปาละเข้าไปหาบิดาของท่านพระรัฐปาละถึงที่อยู่แล้วเดียกล่าวว่าเดชะบุญท่านขา้าดีท่านรู้ไหมได้ยินว่ารัฐปาละุลบุตรกลับมาแล้วเวลานั้นท่านพระรัฐปาละนั่งพิงฝาเรือนแห่งหนึ่งฉันขนมกลุ่มมาดค้างคืนโยมบิดาเข้าไปหาท่านพระรัฐปาละถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่า อะไรกันพ่อรัฐปาละลูกฉันขนมกลุ่มมากค้างคืนหรือลูกควรไปเรือนของตนมิใช่หรือท่านพระรัฐปาละตอบว่าข้าหาบดีอาตมภาพผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรณชิตจะมีเรือนแต่ที่ไหนอาตมภาพไม่มีเรือนอาตมภาพได้ไปเรือนของโยมมาแล้วในเรือนนั้นอาตมภาพไม่ได้รับทานไม่ได้รับคาตอบเลยได้แต่คาด่าอย่างเดียว บิดากล่าวว่ามาเถิดลูกรัฐปาละพวกเราจะไปเรือนด้วยกันท่านพระรัฐปาละกล่าวว่าอย่าเลยข้าบดีวันนี้อาตมาภาพฉันอิ่มแล้วบิดากล่าวว่าพ่อรัฐปาละถ้าเช่นนั้นขอท่านจงรับนิมนต์ฉันพระตาหารในวันพรุ่งนี้เถิดท่านพระรัฐปาลละรับนิมนต์โดยดุษณีภาพแล้ว ลำดับนั้นบิดาของท่านพระรัฐปาละทราบอาการที่ท่านพระรัฐบาละรับนิมนต์แล้วจึงเข้าไปยังนิเวศของตนแล้วให้ขนเงินและทองมากองเป็นกองใหญ่ให้เอาเสื่อลำแพนปิดไว้แล้วเรียกพัญญาเก่าของท่านพระรัฐบาละมากล่าวว่ามาเถิดแม่สาวสาวทั้งหลายพวกเธอเคยแต่งตัวด้วยเครื่องประดับสำรับใดแล้ว จึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของรัฐปาลกุลบุตรเมื่อครั้งก่อนจงแต่งตัวด้วยเครื่องประดับสำหรับนั้นเถิดครั้งนั้นเมื่อล่วงราตรีนั้นไปบิดาของท่านพระรัฐปาละได้สั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอย่างปราณีไว้ในนิเวศของตนแล้วใช้คนไปบอกเวลาแก่ท่านพระรัฐบาละว่าพ่อรัฐปาละได้เวลาแล้วพระทหารสําเร็จแล้ว ครั้นเวลาเช้าท่านพระรัฐปาละครองอันตรวาศกถือบาทและจีวอนเข้าไปยังนิเวศของบิดาท่านเองแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วบิดาของท่านพระรัฐปาละสั่งให้เปิดกองเงินกองทองนั้นแล้วเดียกล่าวกับท่านพระรัฐปาละว่าพ่อรัฐปาละทรับกองนี้เป็นส่วนของแม่กองโน้นเป็นส่วนของพ่อส่วนอีกกองหนึ่งเป็นของปู่ ทั้งหมดนี้เป็นของลูกผู้เดียวลูกสามารถที่จะใช้สอยสมบัติไปและทําบุญไปก็ได้มาเถิดพ่อรัฐปาละลูกจงลาสิกขาออกมาเป็นครหัสใช้สอยสมบัติและทําบุญไปเถิดท่านพระรัฐปาละตอบว่าขหะบดีถ้าท่านพึงทำตามคําของอาตมาภาพได้ท่านพึงให้คนขนกองเงินกองทองนี้ ใสเกวียนแล้วให้เขาเข็นไปทิ้งไว้ที่กลางกระแสะแม่น้ําคงคาเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความครื่มครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปาญาตความคับแค้นใจมีทรัพนั้นเป็นเหตุจะเกิดขึ้นแก่ท่านลำดับนั้นพวกพัญญาเก่าของท่านพระรัฐปาละจับที่เท้าคนละข้าง แล้วได้ถามท่านพระรัฐปาละว่าหลวงพี่นางอับศรพวกไหนเล่าเป็นต้นเหตุให้หลวงพี่ประพฤติพรหมจันทร์พระรัฐปาละตอบว่าน้องหญิงเราไม่ได้ประพฤติพรหมจันทร์เพราะเหตุแห่งนางอับสรทั้งหลายพัญญาเหล่านั้นเสียใจว่าท่านรัฐปาละผู้ลูกเจ้าเรียกพวกเราว่าน้องหญิงจึงล้มสลบอยู่ณที่นั้น ครั้งนั้นท่านพระรัฐปาละได้กล่าวกับบิดาว่าข้าหาบดีถ้าท่านจะถวายอาหารก็จงถวายเถิดอย่าให้อัตมาภาพลำบากเลยบิดากล่าวว่าฉันเถิดพ่อรัฐปาละพระาหารสำเร็จแล้วต่อจากนั้นบิดาของท่านพระรัฐปาละได้อังคาาท่านพระรัฐปาละด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีต ถวายให้ฉันจนอิ่มน้ำด้วยมือของตนพระรัฐปาละแสดงธรรมครั้งนั้นท่านพระรัฐปาละฉันเสร็จและมือจากบาทแล้วได้ยืนกล่าวคาถาเหล่านี้ว่า โยมจงดูอัตภาพอันวิจิตมีกลายเป็นแผลที่คุมกันอยู่กระสับกระส่ายเป็นที่ดาริของชนเป็นอันมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงโยมจงดูรูปอันวิจิตด้วยแก้วมณีและกุนทนมีกระดูกอันหนังหุ้มห่อไว้งามด้วยผ้าเท้าที่ย้อมด้วยครั่งสีสดหน้าที่ไล่ทาด้วยจุนพอจะหลอกคนโง่ให้หลงไหลได้ จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานไม่ได้ผมที่ตกแต่งเป็นลอนดังตาหมากรุกตาที่เยิ้มด้วยยาหยอดพอจะหลอกคนโง่ได้แต่จะหลอกคนที่แสวงหาฝั่งไม่ได้กายที่มีสภาพเปื่อยเน่าเป็นธรรมดาซึ่งตกแต่งแล้วเหมือนกล่องยาหยาตาใหม่อันงดงามพอจะหลอกคนโง่ได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งไม่ได้ ท่านเป็นด่างพรานเนื้อวางบวงไว้แต่เนื้อไม่ติดบวงเมื่อพรานเนื้อกําลังเคล่ําครวนอยู่เรากินเหยื่อแล้วก็หลีกไปลําดับนั้นท่านพระรัฐปาละยืนกล่าวคถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคจีระของพระเจ้าโกรพยะแล้วนั่งพักรังวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นพระเจ้าโกรพยะรับสั่งเรียกนายมิควะมาตรัสว่า มิควะเพื่อนรักท่านจงทําความสะอาดพื้นที่อุทยานมิขจีระเราจะไปชมพื้นที่อุทยานที่สะอาดนายมิขวะทูลรับสนองพระราชดดมรดสแล้วเมื่อกำลังทําความสะอาดพื้นที่พระราชอุทยานมิขจีระอยู่ได้เห็นท่านพระรัฐปาละนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโกรพยะถึงที่ประทับแล้วเรียกราบทูลว่าขอเดชะ พระราชอุทยานมิคจีระของพระองค์สะอาดแล้วและในพระราชอุทยานนั้นมีคุณบุตรชื่อรัฐปาละผู้เป็นบุตรแห่งตระกูลชั้นสูงในทุนละโกฏทิตะนิคมนี้ที่พระองค์ทรงสันเสริญอยู่เสมอเสมอเธอนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งพระเจ้าโครพยะตรัสว่ามิคะวะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นบัดนี้ควรจะไปที่อุทยาน พวกเราจะเข้าไปหาพระคุณเจ้ารัฐปาละในบัดนี้เลยครั้งนั้นพระเจ้าโกรพยะรับสั่งว่าของเคี้ยวของบริโภคที่จัดเตรียมไปยังอุทยานนั้นท่านทั้งหลายจงแจกจ่ายให้หมดเสียเถิดแล้วรับสั่งให้จัดยานพาณิชย์คันง า, งามหลายคันสรงขึ้นพาณิชย์คันงามเสด็จออกจากทุนลโปุิตะนิคมด้วยยานพาณิชย์คันงา ม, งามตามเสด็จ ด้วยราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อทรงเยี่ยมท่านพระรัฐบาล ะ, ะเสด็จไปจนสุดทางที่ยานพาณะะจะไปได้จึงสเสด็จลงจากยานสเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทพร้อมด้วยบริษัทชั้นสูงเข้าไปหาท่านพระรัฐบาละถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ประทับยืนหน้าที่สมควรได้รับสั่งว่า นิมนร์พระคุณเจ้ารัฐปาละนั่งบนเครื่องลาดนี้เถิดท่านพระรัฐปาละถวายพระพรว่ามหาปิอยาเลยเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดอาตมาภาพนั่งที่อาสนะของอาตมาภาพดีอยู่แล้วพระเจ้าโกรพยะจึงประทับนั่งบนที่ประทับที่ข้าราชบริพารจัดถวายแล้วได้ตรัสกับท่านพระรัฐตาละว่า ความเสื่อมสี่ประการพระกุณเจ้ารัฐปาละความเสื่อมสี่ประการนี้ที่คนบางพวกในโลกนี้ประสบเข้าแล้วย่อมโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตความเสื่อมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเสื่อมเพราะชรา 2. ความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ 3. ความเสื่อมจากทรัพสมบัติ จีความเสื่อมจากญาติความเสื่อมเพราะชราเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้เป็นคนแก่คนเท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลําดับเขาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราเป็นคนแก่แล้วเป็นคนเท่าแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ล่วงการผ่านวัยมาโดยลําดับการที่เราจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้ หรือการที่เราจะทําทรัพสมบัติที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้นไม่ใช่ทําได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรโคลนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเขาประสบกับความเสื่อมเพราะชรานั้นแล้วจึงโคลนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนี้เรียกว่าความเสื่อมเพราะชราส่วนพระคุณเจ้ารัฐปาละ บัดนี้ก็ยังหนุ่มแน่นผมดำสนิทเป็นหนุ่มอยู่ในวัยแรกเริ่มไม่มีความเสื่อมเพราะความชรานั้นเลยเพราะคุณเจ้ารัฐปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้เป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้มีความเจ็บไข้มีทุกข์เจ็บหนักเขาพิจารณาเห็นดังนี้ว่า บัดนี้เราเป็นคนมีความเจ็บไข้มีทุกข์เจ็บหนักการที่เราจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราจะทําทรัพย์สมบัติที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้นไม่ใช่ทําได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเขาประสบกับความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้นั้นแล้วจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาเสวพัส ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนี้เรียกว่าความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ส่วนพระคุณเจ้ารัฐปาละบัดนี้เป็นผู้มีสุขภาพมีโรคาพาภาษน้อยประกอบด้วยไฟธาตุที่ย่อยอาหารสม่ำเสมอดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนักไม่มีความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้นั้นเลยพระคุณเจ้ารัฐปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ความเสื่อมจากทรัพสมบัติเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมากทรัพสมบัติเหล่านั้นของเขาถึงความสิ้นไปโดยลำดับเขาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อ <_ correr> er ก่อนเราเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมากทรัพสมบัติเหล่านั้นของเราถึงความสิ้นไปโดยลำดับแล้วการที่เราจะได้ครอบครองทรัพสมบัติที่ยังไม่ได้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 ส่วนพระคุณเจ้ารัฐปาละเป็นบุตรของตระกูลชั้นสูงในทุนละโกรติกตะนิคมนี้ไม่มีความเสื่อมจากทรัพย์สมบัตินั้นพระคุณเจ้ารัฐปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวดเป็นบรรพชิตความเสื่อมจากญาติเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้มีมิตรอม า, ยาตย่าสาโลหิตเป็นอันมากญาติเหล่านั้นของเขาถึงความสิ้นไปโดยลาดับ เขาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีมิตรอมาตยาสาโลหิตเป็นอันมากพวกญาติของเรานั้นถึงความสิ้นไปโดยลำดับการที่เราจะได้ครอบครองทรัพสมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราจะทำทรัพสมบัติที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้นไม่ใช่ทําได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิด เขาประสบกับความเสื่อมของญาตินั้นจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตนี้เรียกว่าความเสื่อมจากญาติส่วนพระคุณเจ้ารัฐปาลมีมิตรอมาตญาสาโลหิตเป็นอันมากในทุนละโกติตานิคมนี้ไม่มีความเสื่อมจากญาติเลยพระคุณเจ้ารัฐปาลรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต พระคุณเจ้ารัฐปาละความเสื่อมสี่ประการนี้ที่คนบางคนในโลกนี้ประสบเข้าแล้วจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตพระคุณเจ้ารัฐปาละไม่มีความเสื่อมสี่ประการนั้นเลยพระคุณเจ้ารัฐปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต